ข้อที่อะไรนะข้อที่สิบเมื่อกี้เล่าล้นบาปผ่านไปแล้วใช่ไหมครับขึ้นใหม่นะาสามวิถีนิทานครั้งนั้นพะระสัพพคีฉันบินทบานโดยไม่เอาใจใส่ธรรมการหรือไม่อยากฉันนะครับโอ้เจอแกนี่นะโอ้ทุกวันเลยเห็นมากๆทุกวันเลยไม่ไหวแล้วเล ย, ยไม่อยากทําไม่อยากจะฉันนะทำไม่ได้นะครับต้องโดยเขารบพุะดวงก็สมเหตุสมาลขึ้นมาครับ อธิษฐานที่บายว่าอันพิสูจน์พึงฉันบิดาโดยไม่รังเกียจพิสูจน์อาศัยความไม่เอือ้อเฟื้อฉันบิดาบาโดยรังเกียจธรรมการดุไม่อยากฉันต้อมบัตทุกข์นะครับมีอะไรก็ฉันไปนะครับอที่จไม่สแสดงโลกก็แล้วกันนะไม่เป็นเป็นภัยนะครับ <c oughs> <c oughs> หนึ่งปีนะหัวหัวจะลาใช่ไหม โอ้ไม่ได้ครับฉันมากๆทุกวนไม่ได้เนอกคนฉันมากหัวร้านนะครับฉันมากหัวล้านใช่ใช่เห็นน้องชาอาจาร์อ่ะโอ้ยฉันมากๆอายุน้อยกว่าอาจารย์หัวล้านแล้วแล้วพ่อก็ไม่เป็นใครก็ไม่เป็นนะครับนั้นไม่กําพันนี่ดีผมชิวดเยอะครับของหัวร้านนี่นะอนาบตก็เหมือนกัน ไม่จงใจเผลอไม่รู้อาภาพอันตรายมิกล่อมเจริญที่กำมิกะไม่ต้องอาา่านบัตต่อไปนะครับอครั้งนั้นพระเจ้าปกรณ์ฉัน ม, มีตาบาัตรพลางเหลียวแหลไปในที่นั้นนั้นมองนั้นมองนี่ไม่ได้ใส่ใจครับใส่มองวิวมองคนนั้นบ้างคนนี้ว่างบางคนหนักขนาดว่าช่วยคนหนึ่งคุยด้วยนะครับวมนนี้มก็งงอิดตั้งแต่ยังมันข้างๆมันจะไปคุยทำไมเนี่ยน่ <c oughs> าจะใส่ใจนะเอเวลาฉันอยู่ต้องพิจารณานะครับ เขาก็คุยนะไม่รู้ทำไมคุยนั่งไหนลำบากไม่มีอะไรลำบากถ้าไม่เอากรรมฐานซะอย่างนีงําบากนะนะครับตอนนั้นสำคัญเลยนะครับกินแดนอีกเกินเยอะมากนะในขณะดที่การฉันใช่ไหมครับรัศตันหานะมีกําลังมากถ้ามันเจอของร้อนนะไม่ใช่อาหารร้อนๆเหมือนที่ ว, ว่าอาหารที่มันไม่ร้อนนะมันแล้วก็รสชาดีๆนะ บางทีมันไปหมดเลยนะครับสติสตังหานหมดเลยนะมันเพ่งแต่รสชาติอร่อยอรอยบางทีฟุ้งซ่านไปนะครับ <c oughs> ที่แล้วเขบอกว่าตาก็ดูดนะครับ <c oughs> มือขยับปากก็เคี้ยวใจก็คิดนะครับ <c oughs> ไปหมดเลยนะสติสตังไม่เหลือเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยตัญหามีกําลังมากก่อนจะรู้สึกตัวก็อุ้ยใกล้จะอิ่มแล้วนะครับแต่ถ้ามันจะ็นอาหารร้อนมันต้งสติด้านอะไรต้งสติด้านมก็จะไม่อย่างนกันนะก็จะสํรวนได้อะไรได้ ตรงนั่นกิเเกิดเยอะเลยฉันแบบกุศลก็ได้ฉันบบกุศลก็ได้อยู่ที่เรานะครับคนที่ใส่ใจเป็นอย่างมากเพราะว่าพิสุสั ม, มนเนยที่ได้มารลุหน้าในขณะชันนะครับพิจารณาอาหารไปมีเยอะแยะนะครับมันเยอะมากเลยนะครับเป็นสิงสําคัญเปิมปฏิสัยปัจจัยจบไปได้นะโมชาหน้านะอาจจะมารลุตอนฉันอาหารก็ได้ไม่แน่นะครับอั น, น สามทีน่นิทานครั้งนั้นอ น, นิวาสไป <c oughs> นะครับแล้เหลียวแลไปในที่นั้นนั้นเมื่อเขาเกลียบบินาบาบก็ดีเมื่อเกียรบเสร็จแล้วก็ดีหารู้สึกตัวไหมเนาะขนาดผ้าชั้นบินดาบานะมันจะโยงค่าอาหารมาเสิร์ฟอีกก็มีนะครับมาเกียบใส่ลงุปในาบาศ์อีกนะอย่างนั้นนี้พระองค์ทรงอธิบายว่าอันพิสุ์ผู้ฉันอาหารพึงแลดูในบาศนะครับอย่างนี้เลยน่าใช้สั่นี้เลยบางคนก็บอกอา้ามันมีที่ไหนให้ให้ดาในบาศ เขาบอกว่าให้อะไรนะอะไรภาษาบาลีเป็นยังไงประทัดสัญญีใช่ไหมครับมีความสำคัญอยู่แสนในบานไม่ได้บอกให้แรงดูไม่มีว่ามีความสาคัญเฉยก็คุณมองนั่นมองนี่ทำไมเหรอครับกิคือในขณะเทศนี่ผมเกิดึ้นกับผมเองนะครับก็ไม่พูดปาดพักูเนี้ยเพราะว่าปามีการใช่ไหมผมไม่ได้ใส่กระดาษผมใส่ในปาบาแต่ผมก็สสนใจว่า ผมว่าจะถามอาจารย์หน so so ่อยครับผมจะแกะเนื้อปลาใส่ในปาแล้วก็ผมอ็แกะใส่ในปากเลยอันนั้นมันจะถูกประกันแล้วก็คอยเอากลางทิเนี่ยอรอคนแกะเนื้อปลาใส่ในปาเลยใช่ไหมอ๋อใส่ในปากก็น่ะครับเตอนนั้นม่ใช่เศษอาหารนะ่ะที่ไม่ใส่ในปากก็คือที่มัเป็นเศษเป็นก้างเป็นเดนอย่างงี้นะก็ไม่ได้หรือที่่ามันเข้าปากไปแล้วนะะแล้วอย่าไปใส่เข้าไปอีกนะครับไม่น่ะก็อันนั้นไมเหมือนกระพวกกระดูกหมูนะคุอาจารย์นะ เราหนุนไกไกลจนหลุดหมูเงี้ยผมก็เอาหมูไปแกะเงี้ยแกะแล้วก็ผมไม่การ์ดแค่ไหนแล้วถึงจะไม่การ์ดใส่ในบาตก็ใส่แค่สามบาทถ้าหากเราเกิดใส่ในบาตอีกจะได้ไหมเคื่องรูปหมูที่เราแกะแล้วเนื้อมันยังมีอยู่อีกนะครับโอาแกะไปแล้วมีเหลืออยู่ใช่ไหมครับเพเนื้อมันยังเหลืออยู่เงี้ยคัอะแล้วก็เราใส่ในบาตอีกจะได้ไหมหรือว่ามันจัดเป็นเดนไปแล เป็นเดนที่ยังนะครับถ้าถ้าเราแบ่งมาถ้าเจนแล้วมันก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะมันไม่ไดเดนเลยเลยอยู่ครับคือผมเชื่อแล้วจะไม่แหง น, นะครับว่าแหงกระดูกนะบางครั้งราเพอก็หลงไม่แหงแต่วอาเลือดขึ้นไหลก็เอาแกะแล้วก็มันยังเหลือมันเป็นยรณีที่ถ้าคือมันยังมันเยื่อเนื้ออีกที่กระดูกอีกนะคบที่เราเราสายใจว่าเราจะฉันอีกมันยังไม่ทิ้งไงผมก็เลยสองคิดสองใจกันนะผมก็ใส่ความบาต ใส่ทฟ้าบาทเลยดีถ้าสงสัยก็ใส่ฟาบาทก่อนจะเรียกว่าเดนหรื่ามันก็ไม่ใช่เดนนะแต่ว่าถ้ามันเหลือแค่นิดหน่อยมีแต่การดูกอะไรเยอะใช่ไหมครับแล้วก็อย่บไปใส่นะครับที่ผมแบ่งผมไม่ใช่เป็นชิ้นต่อชิ้นน่ะมันเป็นชิ้นใหญ่เลยฟ้าทูหนึ่งตัวแบ่งมาครึ่งตัวอีกครึ่งตัวเอาไว้ฉาดอีกใช่ไหมครับ ตัวตัวใ ห, ใหญ่หน้าปาอะไรนะครับแล้เอามาฉส่ขึ้นตัวอมันก็ไม่ได้กามไม่ได้เดชใช่ไหมยังไม่ได้เข้าปานะลำ<อ> บ, บากชัดเจ น, นครับ<อ>แล้วใส่ไปนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับ<อ>ต่อไปนี้ครับ อ, อันนี้นะเนี่ยมาดูคำอธิบายถ้าดูคำแยกธรรมบารียะชัดเจนเนยจะไม่สงสัยท่านพูด อ, <c oughs> อย่างนี้เลยนะครับ<อ>ว่าอันที่สุดผู้ชันอาหารพึงแลดูในปาก น, นี่ไหนะชั้นบิดาบาล ที่สุดาอาศัยของไม่เอื้อเฟื้อฉันบินเดาบาบพรางอะรดูไปในที่นั้นนั่งต้อนบรรทุกต้นะครับ<ม>อือนาปฏิวานก็เหมือนเดิม น, นะครับไม่จงใจเผลอไม่รู้ีอะไรเ <c oughs> พราะความจีแค่เแค่เศรษีวัดเนี่ยนะ <c oughs> โหไม่ธรรมดานะครับ <c oughs> แค่เสรษฐีวัดนั่นไม่ใช่ธรรมดาไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยนะ <c oughs> ถ้าทาําได้อะไรดีโอ้ยดีเลยนะครับจะดูเรียบร้อยนะสวยงาม น, นะครับห <c oughs> น้าเรื่องใสามากเลยอื <c oughs> แล้วก็มีกรรมฐานกรกรกับด้วยใช่ไหมยิ่งเฉพาะในเวลาฉันนะครับสำคัญเลย <c oughs> ต่อไปนะครับสามวัตถีนิทานครั้งนั้นพระเจ้าวิเคีาะห์ฉันมิเบาเจาะลงในที่นั้นก็คือให้วาลให้แบกไปนะนะครับอันพิสูจนฉันมิเดบาเกี่ยให้เสมอค่อยเสมอเกี่ยให้เสมอกันค่อยฉันแต่ต่างดับใช่ไหมพิสูจดาสารความไเมื่อเฟื้อฉันมิเบาเจาะลงในที่นั้นนั้นต้องบัดทุกกฎนะครับ อันนี้มีอนาบัตพร่ำเติมว่าเราตักให้พิสูจน์อยู่ได้ครับเราแบ่งอาหารในปากตักให้เพื่อใช่ไหมแล้วมาเกิดแบ่งขึ้นมาไม่เป็นไรนะครับเพราะเราตักไปนี้เข้าไม่ได้มาฉันนะตักเกียร์รูไหมภาชนะอื่นแบครับใส่ภาชนะอื่นแบง่งนะแล้วก็เกิดแบ่งไม่เป็นไรนะครับตักสูบปากแบ่งเว้าวนะสูบปากนี่อันนี้มันแกงอะไรเขาจะหมายถึงเอแกงนั่นะครับสลัดพัก แกงผักนะครับสลัดนะสลัดผักนะครับอื่นเขาว่าสูตป่าที่นี้นะครับเดราจะเจอคาอธิบายในการขานะครับอันนี้นอาได้ม่ว่าแกงอะไรก็ได้นะมิกลจริยธรรมกัไม่ต้องปั่นะครับต่อไปครั้งนั้นก็จะพ่อคีฉันมีระตาฉันแต่กลับอย่างเดียวมากไอ้แกงถั่วที่ว่านะคำอธิบายก็จะเหมือนกันนะครับอืฉันกับค่าอย่างอื่นเป็นไรอันนี้ ก็คล้ายกันนะครับชั้นของยากในสารวัตรคนปรวนาเป็นอะไรได้เล่ามาได้ทำไมันจะฉันไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ของยากคนปรวนาจ่ายมาด้วทรัพของตน้นอันนี้ก็มันชันได้มีปัญหาต่อไปนะครับสารวัตรพิณิทางครั้งนั้นประทีชั้นบินบาบขายุ้มลงแสยอดนะครับพร้หลวงก็อธิบายว่าอันพิสุไม่พึงขยุ้มลงแสยยอดชั้นบินดบาบพิสุดาสารคงไม่เอือ้อเฟื้อ ขยุ้มลงแต่ยอดชฉมิดบาตรต้องมางทุกกลดนะครับนี่ก็เหมือนกันนะมีมีพิเศษว่าถ้ากวาดตะล่อมเข้าที่ข้าวที่เหลือนะเล็กน้อยนะครับรวมเป็นคําแล้วเปิดฉัดนี้ได้ไม่เป็นะรข้ามเหลือน้อยที่กว่าตะล่อมมาได้นะครับตัวนนี้ผมเดินทุกวันเลยครั บ, รบเพราะว่าสวว่ว น, นี้มันเป็นอครับใส่ใจไม่ทันเลยนะรคับ มันมีหน้าไม่แกล้งเพ้อเสียก็เป็นไรเขาไม่ทหรือว่าตั้งใจเลยแต่แต่เขาจะถึงก็ขอริษไใจก็ต้องเอาเครียดอากทางทางดึงนแต่ว่าบอยยอมรับว่าบอยเกินเลยโดนจะเกลียดแล้วก็เขียให้มันให้มันเข้าที่ก็ทางก่อนนะแล้วก็ฉันไปตามลดับนี่นะไม่ว่าไม่ไงแต่ตามลดับมันถึงว่าฉันติดัามขอบที่อยู่หน้าเราสุดก่อนหตลดับจากขอบมุมไหนนึง เจอฉันไล่ไปใช่ไหมข้าวจะว่ากูไม่ใช่อย่างงั้นอย่างเดียวครับจะไปตามทางไหนคุณน่าจะได้นะตามดำนะครับอย่าให้ว้ให้แหวงก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีค้าอธิบายนะบอกว่าในนี้นะครับทําไมให้ฉันไปตามดำนะครับเพราะว่าอาหารที่เหลือเนะี่ยจะได้แย่งคุณฉันได้ครับถ้าเราฉันว้าแหวงมันก็มีรอยตังเราหมดใช่ไหมคุณก็ไม่ค่อยกล้าฉันอีกนะครับ เดี๋ยวจะมีคำอธิบายนะครับอทีนี้ ท, ทีนี้เรามาดูคำอธิบายนกลางขาครับรข้ <c oughs> ขอรพูดจะไล่มาตรงนี้นพูดต่อไปนะครับมาดูในกลางขาน่านสอง้อยเจสิบห้านี่ไงข้อนี้เลยสา3ดุษฎิสาษีสาอธิบายสัปปดฆาณสิก ข, ขาบทนะครับอันนั้นแม่แช่ไม่อธิบายแล้วนะนะ ฉันด้วยเคารพก็ดีนะครับฉันด้วยใส่ใจแต่ในบาปก็ดีไม่อธิบายแล้วคําที่บาเ น, นเหมือนกันเหมือนกับร่ำบินตบานนะครับข้างข้างมานีน่เลยในสิขาบนที่เจ็ดคำว่าสปะทานแปลว่าตาลําดับนะครับไม่ทําเป็นรอยเวาแหวกเจาะจงบินตาบานนั้นส่วนพิสูจน์ใดครับอ้อนคำอธิบายแค่นี้ีต้องดูเรื่องนี้ใจเยอะนะครับส่วนพิสูจใดเมื่อให้แก่พิสูจหลักอื่นแบ่งเพื่อนใช่ไหม หรือเกียวลงในภาชนะอื่นนะครับแล้วมันเกิดเว้าใหม่ไม่เป็นไรกนให้เป็นหลุมลงไปที่นั้นสนหรับพิสูจนั้นนะครับและพิสุนที่รับเอาแกงนอกลําดับอันนี้ก็แปลกันไม่ค่อยเหมือนกันนะอ่านี้ตรงนี้หมายถึงว่าแกงประเภทยํานะครับตัวนี้แปลว่ายํายอดผักมันจะหมายถึงพวกสลับผักนะพวกผักพวกสลัดนี้เขาไม่เป็นไรสนับผักนะไไม่ต้องอาบันนะครัในสิขาบทนี้ สิครับบทที่แปมีในดังก่าแล้วหลยเดี๋ยวต้องมาดูคำทธิบาร์นี้ท่านจะที่บายเยอะ <c oughs> นะก็ไม่ว่างนะครับมองดูที่นั้นฉันไปต่างระดับนะเป็น <c oughs> นี่ไง <c oughs> ถ้าบอกว่านะครับ ตามลำดับก็คือไม่ทให้ขาดตอนนะการขาดตอนนะครับว้าวแบ่งเว้าวเรียกว่าฐานะความปัจจาร ก, การขาดตอนชิ้ว อ, อาปาฐานะนะครับหมายความว่าไม่ขาดตอนเป็นไปกับความปัจจารความขาดมีอธิบายว่าเว้นจากความขาดตอนคือตามดับนะครับฉันตัดไปข้างหน้าอ๋อย่างนี้นะครับฉันตัดไปข้างหน้านะตามดับ อย่างท่านอธิบายอย่างนี้นะฉันตับไปข้างหน้าตามลําดับนะครับอาหารที่เหลือจะได้ไม่เป็นเด่นครับวิสุนี้คําอธิบายนั่นมันจะอภัยจาระพยอมนะครับชื่อว่าสปะทานะนะครับด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าฉันบิดาบัตตามลำดับไม่ทําให้เว้าแบ่งในที่นั้นๆเรื่องปัจจปกินจบจบแล้วนะคำอธิบายเพิ่มเติมก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะที่บอกว่าเมื่อร์กี้ไง ต่างกับข้าวประเทศยำแปลว่ายำยอดผักได้แก่พวกสนับผักนะครับไม่เป็นไรแหวงได้สนับผักก็ทแหว่งได้นะครับก็สนับผักนะครับต่อไปนะครับออที่ไหนจำมาในกลางขาจำในกางข า, นน า, รขาครับสองร้อเจ็ดสิบหกข้อสาสิบห้าอธิบายทูปปะกะตะสิขาบทในสิขาบทที่กล้าคว่าถู ป, ปกระโต แปลว่าแต่ยอดคือตรงกลางเจอะไปเลยนะครับหรือว่าห่าไปอะไรอย่างนี้นะก็พิสูจนายกว่าข้าวที่เหลือน้อยรวมกันแล้วฉันสําหรับพิสูจนนั้นไม่ต้องอาบไม่เป็นไรข้อนี้มีอะไรที่ว่าพี่เต๋ออนปัตตไม่มีนะครับขยุ้งแต่ยอดนะครับเหมือนกันานะที่แบบไม่ตั้ง น, นะครับการ ต่อไปกลับมานย่บนสมวิธีครับโอ้หน้าวันทสองวันสมวิธีนะครับหน้าร้อยเก้าสิบสี่ข้อที่สาสิบหกนะครับบัะชิตพึงกระทำความสำเนียง ว, ว่าเราจะไม่เอาข้าวกรบแกงหรือกับข้าวไว้เพราะอาศัยความหยาได้มากๆาครับสาสิบเจ็ด บรรพชิกพึงกระทำความสมเหตว่าเราไม่ได้เป็นไข้จักไม่ขอแกงทุกชนิดที่นอกจากปณีตาะโธชนะก็ดีข้าก็ดีเพื่อตนเองมาฉันสามสิบแปดบรรพชิกพึงกระทำความสมเหตุว่าเราจะไม่มองบาปของผู้อืนด้วยหมายจากแห่งโทษครับาสิบเก้า บันพาชิตคึงกระทําความสำเนียงว่าเราจะไม่ทําคำข้าวให้ใหญ่เกินไปครับสี่สนะครับมันปพาชิตคึงกระทําความสำเนียงว่าเราจะทําคำข้าวให้กลมกอมไม่ทําคำข้าวให้ยาวครับท่สี่ชื่อว่าอกาศจังวะตต่อมาที่ข้อสามสิกนะบอกว่อย่างไง จะไม่เอาข้างกรบแกงหรือว่ากรบข้าวไว้พ่อใสยความอยากได้มากๆอย่าได้กับข้าวอยากได้แกงเยอะๆนะครับแก่ข้ากรบปิดหน้านันหมดเลยโย่เขมองแบบมีแต่ข้าวเต็มเลยเนี่ใส่กรบข้าวซะเยอะๆหน่อยสิใจอย่างนี้ไม่ดีนะครับไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีหันแนะใช่ไหมครับจะไม่เป็นอุศลอยากจะได้เยอะอยัางนีไม่ได้นะครับต่อไปนะอันนี้ไม่ยากนะครับตรงนี้ในอนาคมันจะมีคําอธิบายพิเศษนะ ข้อ316 317นะครับในอานาบัตจะมีคําวที่มากพิเศษเดี๋ยวดูกันนะส317นะครับบอกว่าเราไม่ได้เป็นไข้จักไม่ขอแก่ทุกชนิดนอกจากปณิฏฐโภชนะเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นไข้ของปณิตฐโภชนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นเสกีวานใช่ไหมครับแต่มันจะต้องอาบัตอะไรครับ <Okay. S 1> ไม่ได้เป็นไข้ขอโภชนะอันปณีไปตีนะครับรนั่นนะที่หวานนะ โปรชนะท่านนี้ก็หมายถึงว่าข้าวไปผสมกับในสายในข้น น, น, น, น, น, นน้ํามันน้ำผึ้งน้ําอ้อยนมสดนมส้มปลาเนื้อใช่ไหมครับ น, น, นั้นๆนี่แหละไม่ได้นะครับเขาก็เลยเว้นนี่ไง้นขอแกงก็ดีข้าวก็ ด, กดีเพื่ อ, ตอนตัวมาฉันต้องอาบัด น, นะครับขอกับยาคอณโปนาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับหรือว่าเป็นไข้ก็ไม่เป็นไรข้อสามสิบแปดนะครับเป็นไข้บางอย่างนะ่ะ มันต้องเลือกอาหารสุขภาพโยบตะมาปวุยอาหารธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ไม่แต่มันโยอาหารร้อนเท่านั้นเลยอย่างนี้นะครับไปขออะไรนะครับไปขอปต่างกินโต๊ะพิเศษอาหารสุขภาพนันโยมไม่หวานไม่มันไม่เค็มไม่เผ็ดเอาผลไมส้สหมองเขียวอย่างนี้อะไรนะน่าไปไขห้หนังนะได้นะครับหรือว่าปวดขั้นถึงมะเร็งแรกนี่นะอันนั้นขออะไรนะครับไม่เป็นไรนะ คือว่าหนักแล้วอไอ้เล้นช็อไม่ใช่เราบอกสำนักไงเราบอกสำนักไม่ได้บอกอื่นขณะนั้นเลยถ้าคนอื่นก็ผมไม่ได้นะนะครับคงจะ ย, ยากมันมีอยู่วันหนึ่งนะครับจ้าว่าท่านป่วยเป็นมะเร็งนะลูกจะมะเร็งลำไส้นะครับ แล้วก็ชาวบ้านเขาศรัท ธ, ธาเพราะเขารู้ว่าอาจารย์ปูมะเร็งนําไส้เนี่ยฉันพวกเนื้อพวกอะไรไม่ได้นะครับคนชาวบ้านแถวนั้นทั้งหมดเลยนะทําแต่อาหารเจนะครับทําทแต่อาหารเจมาถวายนะครับท้าที่เลยเลก็เลยโชคดีไปด้วยนะเนี่ยถ้าคนมีบุญมีเขามีบางรมีในขาะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องบอกอะไรใครมากนะเขาเขารู้ข่าวนะครับเขาทำมาให้เลยแต่ถ้าปวยมะเร็ง น, นะชาวบ้านก็เห็นใจต้องการให้อาจารย์อยู่นานนะครับ ก็มีอาหารเจถั้งเจหมดเลยนะต่อไปนะครับเราจะไม่มองบาปของเพื่อนด้วยหมายจะแพ่งโทษไม่ได้นะหมายจะแพ่งโทษอะไรตักเยอะไว้ว่า <c oughs> นี้ฉัาสมงลูปบางเนี่ยพิจนารณาว่ามองแพ่งโทษมองเขาไม่ดีอย่างนั้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าจะพ่อตอนที่ฉันอย่างเดียวนะแต่ตอนตักตอนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มองบาปเขาดิเขจะแพ่งโทษนะครับอ ก็จะพูดถึงหน่อยนะว่า <BLACK> ก็เหมือนกันนะคนตัดันก็เหมือนกันก็ต้องเห็นใจคนอยู่ข้างหลังบ้างใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่ใช่บางทีเนี่ยเจ้าเจ้าเนี่ยชอบเอามาล่าผมฟังไหนแกไปมองผาคนนี้ใครใครับเจ้าเจ้าเขาไม่ได้มองหนุนทาเสียหน้าเลยแกบอกโอ้ยตัดทีเนี่ยโหยนี่น่ะขนาดนี้น่ะเน้นอดแดงนะพูดยางนะมองไม่อย่างนี้ถ้าสิบคนนะแกแกแพ่งอคนนี้นหะ มีอย่างนี้สิบคนินอดแหงเลยครับ <c oughs> แค่คนคมาที่อากระอกเช็นสระเปามาใช่ไหมครับ <c oughs> เขานับให้ดีแล้วประมาณสี่สิบกว่าลูกนีมันจะพอดีผ้าใช่ไหม <c oughs> มันหยิบเกินนั้นไม่ได้อย่างมากคนละลูกนะครับลูกนี้รอบแล้วสองสามลูกเนี่นะร <c oughs> อ, อกแล้วสองสามลูกครับแถวหลังนี่นอดเลยนะครับสระเปาไม่ถึงแนวสิ <c oughs> ถึงแน่นทั้งีหดีไม่ถึงแน่นทีบางทีก็ต้องดูนะมีน้อยนะครับมีน้อยก็ก็แบ่งกันใช่ไหมแบบน้อยนะครับคนละลูกคนละลูกพอถ้าเอาทีเดียวสามสี่ลูกนะทางรังอุดนะครับไ ม, รไม่ถึงทั้งทีนะเกินไปนะครับ <c oughs> อะไรนะกินคนเดียวย่อมไม่ได้สุกใช่ไหมที่เขาแทศน์เขาอยู่แล้วนะภ <c oughs> าษาบุรีมาเลยในการศีลรพเตสุ ข, ขังนะครับกินคนเดียวย่อมไม่ได้สุก ก็แบ่งๆกันไปแต่ผมก็ไม่เคยทําขนาดนั้นนะแล้วก็มองข้างหลังมันมีของพิเศษใช่ไหมสํานักมานะครับก็ลูกนึงอะไรนี้นะก็ดูนอกจากมันเยอะนะครับต้องฝืนข้างหนรึเหมือนกันแล้วก็นะครับเราจะไม่ทําคำค่าให้ใหญ่เกินไปเนี่ยคราวที่บางให้บอกว่าคํำค่าก็ขายนกยุงมันใหญ่เกินไปนะครับขายนกยูงคราว เท่ากับไข่ไก่ก็เล็กเงนไปนะโอ้สมัยนี้ไข่ไก่นี่เข้าปากเลยใช่หมคนสมัยก่อนตัวใหญ่ไงหมอเท่าไข่ไก่นี่ก็ยังเลกไปนะเลกไป่านไก่แดครับถ้าไข่หงเหรอขน่งดครับไข่ไข่หงเหรอขขนมไก่หงอ๋อขนมไ่หงใช่หอ๋อเคไ่หงเป็น กลมๆข้างในจะมีไส้ถั่วเหลืองเหลืองใช่ไหมใช่ขนมเปียกขนมเปี๊ยกไม่ใช่ขนมเตะมันเป็นแป้งนะครับแล้วก็เขจะเอาไปทอดเขาจะโรยน้ํำตาลข้างนอกใช่ไหมและข้างในจะมีไส้ถั่วเหลืองนะครับอ๋อในร้านเขาขนมแข็งของคนเขาเรียกว่านมกล้วยนมกล้วย พาษาที่บ้านผมัน้เรียกแบบหยามมากเลยครับที่บ้านผม้เรียกหยามมากนะครับว่าขนมไข่เียครับโอครับข้เรียกนั้นจริงๆนะแถวบ้านนอกนะครับในเมืองเขาเรียกไข่หงบ้านนอกเขาเรียกไข่เฮียอันน่นเหรอ ไข่ไข่เที่ยนี่นะครับความจริงในทางท่ามันเป็นท่านจะพูดถึงอะไร น, ะนั่นพวกผลหมากางไม้เป็นไรนะครับพวกผลไม้พวกผังไม่เป็นไรนะใหญ่ครับปากอะไรไมนะครับบางทีมันใหญ่ไปหน่อยนี่นะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นของเคีย้ยวของเคีย้ยก็ยังได้นะครับอันนั้นก็ไปทอดก็พอได้นะครับตอนนี้อันนี้น้อดูงานบันทีให้ช่างที น, นีะครับ แล้วก็เอาปางเราเป็นแกนนะเพอาปากเป็นแกนในของม่นหาฝางคนสมัยก่อนนะครับเอาพอเหมาะกับปางแล้วมันยัดทีทเข้าไข่ไก่เงี้ยมันสมาร์กนะมันก็จะเข้าปางเราสมัยนี้นะครับ <c oughs> แสดงว่าสมัยก่อนจะไข่เป็ดพอดีอย่างนี้นะระหว่างก้าวนะไข่ไข่น่องอยู่มกับไข่ไก่ไงพอดีนะครับอันนี้แต่ถ้าแรกเกิดไม่มีอาบัต น, นะครับแรกเกิดไม่มีอาบัตบอกแต่ว่าไม่ควรเท่านั้นนะ ถ้าใหญ่เกินไม่ได้นะครับก็จะต้องอัด น, นะครับอันนี้แล้วก็เราจะไม่ทําคําข้าวให้จะทํำคำข้าวกลมกล่อมคือไม่ทําคําข้าวยาวนะครับทําให้เรายางเนี่ยนะฮะแ้าก็กัดการกัด้ปมันจะมีกัดคาข้าวทีนะครับแทนั้นเป็นดีๆนะกลมกล่อมันก็กลมฉานไปนะครับยพอดีคํานะแต่ในนี่ยทาไมทธ่บายเป็น เป็นกมกมไปเลยน่นะน่ะมาา จ, จะไม่กลมมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้กลมดิ่งหรอกเรื่องใส่ช้อนใช่ไหมไม่กลมดิ่งหรอกนะถือว่ามือคะเทอน่ะเรืงไม่ได้กลมดิ่งหรอกใช่ไหมแต่ว่า เ, อ, ะนะเอามันดูเรียบร้อยนะเป็นคําเรียบร้อยนะครับคือไม่ทําไม่ยากครับว่าไม่ทําไม่ยากนะเป็นคําเรียบร้อยดีนะครับไม่ยากเลยฝ่ายก็มันดูต้นเหมืนอนี้ย เพราะว่มัานี้มันหังก็ไม่ได้เกลมเยี่ยมก็เอาไม่ร้อนนะมันก็มันอยากนครับเข้าสมัยนี้มันเหมือนกับข้าวสารนอาจารย์มันไม่พูดแม่ะแต่ก็มันเหมือนเหมือนข้าวสารเหมือนกับเราตากข้าวสารเนี่ยมันที่เป็นคำที่เราฉันทุกวันมันไม่เหนียวเหมือนข้าวอ๋อไม่ค่อยเหนียวใช่ไหม่ครับมันมันอยากที่เราจะทำเอ๋อมันไม่ค่อยร้อนแล้วข้ามันเด้ไม่ค่อร้อนนะครับวันนี้เขาใส่น้ำไม่เยอะแล้วมันก็เลยไม่ติด ต่อไปนะครับอ่านี่ในต้นบัญญันนะข้อแราเอครับสาวัตถินิทานครั้งนั้นพระชนกที่อาศัยความอยากได้มากกลบแกงบ้านกับข้าบ้านด้วยข้าวสุขะนะพระองค์ก็อธิบายว่าอันพิสูจน์ผู้ฉันอาหารไม่พึงกลบแกงหรือกับข้าด้วยข้าวสุขเพราะอยากจะได้มากพิสุจน์าอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อกลบแกงหรือกับข้าด้วยค้าวสุขเพราะอยากจะได้มากต้องบัตุดุกคนนะครับ อนาคตเดี๋ยวไปดูทีเดียวกันเลยนะท่านจะพูดในทางขำเมกันนะครับไม่ต้องคิดซ้ํา <c oughs> ต่อไปนะคะรับสาวสีนิทานนี่อันนี้พูดยาวครั้งนั้นพระจ้าปักขีขอกับข้าวบ้างขอข้าวสุกบ้างเพื่อประโยชน์แก่นตนมาฉันชาวบ้านทําำพางทำเพ่งเข้าเตรียมบทนาว่าฉไนพ ร, ระสัมมาสีวสายป์พระสกยบุตรจึงได้ขอกับข้าวบ้างข้าวสุกบ้างเพื่อประโยชน์แก่นตนมาฉันเล่ากับข้าวหรือข้าวสุกที่ดีใครจะไม่พอใจ ของที่มีรสอร่อยใครจะไม่ชอบใจนะครับเรื่องก็ไปถึงพุธองค์นะพุธอง์ก็ทรงยศขานี้ขึ้นมานครับ mm hmm. ครั้งแรกไม่มีคําว่าไม่ได้เป็นไข่นะสมัยตอ่อมาก็มีเรื่องของพิสุอาพาสเกิดขึ้นนะครับ mm hmm. พิสุอาพาสทั้งหลายนะผู้ พ, พิสุผู้พยาบาลนะครัได้ถามพิสุทั้งหลายผู้อาพาสว่าอาวุโสทั้งหลายผู้ท่านยังพอทนได้หรือยังพอให้แต่าพานไปได้หรือ พิสุวราณพ้าหลายก็เลยตอบว่าอานเถทั้งหลายเมื่อก่อนพวกผมขอสุ ป, ป่ะขอแกงบ้านนะแกงบ้างเข้าสุบบ้านเพื่อประโยชน์แก่นตนมาฉันได้พวกผมมีความหาสุขเพราะเห็นนั้นแต่บัด น, นี้พวกผมลังเกียจอยู่ว่าเมื่อพรจ้าทรงห้ามแล้วจึงไม่ขอเพอา น, นั้นพวกผมจึงไม่มีความหาสุขเพราะลำปุ๋ยทั้ต้นเรื่อง อ, อาหารใช่ไหมถ้าก็ไปขออาหารที่สปานย่างแห่งท่านนะครับสมัยก่อนท่านก็เลยอยู่หาสุขนะ <c oughs> นะนะท่านกุฎจ้มม า, มมาม่อนุญาตแล้วนะครับท่านกัดยมณมเดชขอก็เลยไม่มีความผาสุกแล้วก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ ก, ก็ทรงอนุญาตขึ้นมานะครับอนุญาตว่าพิสุขไข้ใช่ไหมพิสุขไข่ก็ขอได้นะครับก็เลยเป็นศึกษาหมดเต็มๆว่านะาพิสุขบนทางความศึกษาว่าเราไม่อาา่าพาดจะไม่ขอนะแกงก็ดีข้าวสุกก็ดีเพื่อประโยชน์แก่ตนฉันนะซูปัดแกง อธิบายว่าอันพิสูจไม่อภ่าไม่พึงขอสูบ ป, ป่านะครับแกงหรือเข้าสุกนะครับเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันพิสูจใดไม่เ อ, อื้อเฟื้อมิใช่ผัวผ้่าขอแกงก็ดีข้าวสุกก็ดีเพื่อประโยชน์แก่ตนมาฉันต้องบัดกดนะครับขอต่อยากคนโปนน้นมีปัญหานะาได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ต่อไป น, นะครับอะไรแลดูบ่านรอนะส <c oughs> าววิถีนิทานคณะปัจพุคี <c oughs> มีความมุม่งหมายจะแเพงโทษแลดูบาดของพิสุเหล่าอื่น <c oughs> พระเถรวงก็อธิบายว่าอาันพิสุไม่เพิ่มุ่งหมายจะแเพงโทษแลดูบาดของพิสุอื่นพาิสุในอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อมีความมุม่งหมายจะแเพงโทษแลดูบาดของพิสุพวกอื่นต้องบัดกรนะครับใส่ใจบาดตัวเองให้ดีนะครับไม่ต้องไปดูบาดของอื่นหรอกอนาบัณฑนคะครับอ๋อถ้าแลดูด้วยจะแบ่งของให้ไม่เป็นไร ครับได้เราหวังนี้ไม่ได้แพงโทษนะอ่าอืมครับได้นะครับหรือว่าดูเฉยเฉยไม่ได้ที่จะแพงโทษนี่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ได้ต่อไปจุดท้ายยังมีนะครับสามพุนิทานครั้งนั้นพระเจ้าปักขีําคำข้าให้ใหญ่เกินไปอันพิสุผู้จัดอาหารไม่พึงทําคําข้าใหญ่เกินไปใหญ่เข้าวแปงนะพิสุดาสายธรรมะอเกข้อ ทำคำข้าใหญ่ต้องแบบทุกขกดนะครับให้พอดีกับปายข้อนี้บอกว่าไม่ใหญ่เกินไปนะครับให้พอดีอย่างไรอันนี้เขาฉันของเคี้ยวได้นะของเคี้ยวใช่ไว่าขนมไข่เฮียได้นะครับซอสเป็นของคนเคี้ยวนะขนเคี้ยวนะครับของเคี้ยวมันจะมีแป้งคนเคี้ยวนะคือแป้งที่เราไปทอดไปปิ้งแล้วแล้วก็ไปทอดนะครับนะครับ กอดรอเรื่องหน่อยไข่เฮียทัว น, นี้คือมายถึงว่าไข่ตัวเฮียนะ ไ, ไม่ใช่อันนี้ขนมเขาเรียกชื่อนี้เฉยๆก็มันเดยเขาไม่เอาไข่ไข่เฮียมาทาจริงๆนะไม่ไม่ใช่คือคือหมายถึง ค, คือทาใช่ไหมทำไข่เขาทำนะเกาจะเอาแป้งข้าวเหนียวอะ่ะแป้งข้าวเหนียวมา เปนไส้ไส <laughs> oh. ้มันน่จะเป็นไส้ัวบเขียวเท่ากับเขียวต้มแล้วก็จะเอามาผัดเป็นไส้เค็มถ้าเป็หม้ามกับไข่เนี่ยก็จเปเนอย่างี้แต่ผมผมนี่จะสองขาครับใช่ส่วนใหญก็มาสองคครับมันจะใหญ่หน่อยวันนี้มันขนาดข้าไข่ไก่ใช่ไหมข้าวไข่ไก่มันจะใหญ่แล้วนะครับก็ใบครึ่งนะอันนั้นก็กัดได้ไม่เป็นไรนะกัดได้ พ้อมเป็นของเคี้ยวนะครับขอโนแล้วผเนี่ยไม่ใช่แล้วผจะเอาไปทุกเกลน้ตาอืมคาร์อนใส่ครับในตรงไส้นาไส่จะเอาไปชุบน้ตายมันจะเป็นกเกนะ่าก็กน้ตาล้อเด็กผมกินไม่มีไสใถึงกินแ่านี่นมีครับ อาที่มันมีสร้างควาที่กลมกลมเฉยนะกลมกลมแล้วไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมครับนั้นอีกแบบ น, นคะครับอะไรนะครับน้ำตาลันมือนกันมงจะมีไข่นกกระทาอยูนะขนมไข่นกกระทามันจะมีแบบหนึ่งครับเหมือนไปทอดเหมือนกัน <c oughs> อ, อันนี้บอกว่าฉันผลไม้น้อยใหญ่ไม่เป็นไรนะครับ ฉันกับแกงอันนี้แกงนี่หมายเอาเนี่ยที่เขาบอกว่าไงนะสันแกงนะครับแม่สลัดผักนะครับสลัดผังนะไม่ใช่ว่าแกงอะไรก็ได้นะครับให้หน้าเหมสลัดผักนะครับนนแล้วสลัดผังนี่ก็ใหญ่ไปไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนที่เดือกก็เหมือนกันนะมีนตรายที่กินจลิตนะคเหมือนกัน <c oughs> ต่อไปครับ <c oughs> สามวัถินิทานครั้งนั้นประจวบวิถีทําคําฆ่าให้ยาก ทุกท่านก็อธิบายว่าอันพิสูจนผู้ชนาหารคึงทํำ ข, ข้าวกรมกรนะครับให้มันเรียบว้อยพอดีนะพิสูจน์ได้อาศัยความไม่เอื้อเฟื้อทําคําข้าวยาต้าบัรทุกกฎนะครับแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับฉันของเคี้ยวนะไม่เป็นไรผลไม้น้อยใหญ่ฉันยําสนับผักพวกนี้ก็ได้เป็นไรนะครั บ, ออรบ ท, ที่มารืมต้นหญ้ามันเป็นพยาบาลกางขาง อย่างไวไฟลุ่มลื่นเลยนะจำไม่ตองหรอกครับแม่แม่นๆๆนมาดูนะครับข้อที่เท่าไหร่36นะครับสาโอทนับปฏิชาทนัสสิกขาบทในสิกขาบทที่10นะครับเจ้าของอาหารหมกกับข้าวแล้วถวายแก่ที่สุใดในเวลาที่มีการห้ามฆ่าสัตวเป็นต้นนี่ไง ในเวลาที่มีการห้ามฆ่าสัตว์นะครับยโยกันก็ยังฆ่าสัต์อยู่นะแล้วก็ใส่บาตรพระนะครับแกก็เลยเอาฆ่าเนืนอ้อมากลบเนื้อสันว์เลยนะไม่คุม้มเห็นไหมครับเพราะนี้าราจะการเห็นเขาก็จะมาเนี่ยมา <c oughs> มาปรับมาอะไรได้ใช่ไหมครับพราะเป็นสมัยห้ามฆ่าสัต์สมัยก่อนม็จะมีพระราชาประกาศใช่ไหมในะหว่างนี้นะกี่เดือนอ่ะอาจจะเป็นสามเดือนเข้าเป็ษานี่นะครับห้ามฆ่าสัตว์นะครับ ก็ต้องชั้นแจ้งนี่อาจจะมีหรือเป็นเทศการเขาไม่ห้ามฆ่าสัตว์ให้่าหรวมีโทษนะอาจจะปรับสินไม่ปรับไว้ได้แต่วันนี้เขาไม่ทำตามมันก็ยังค่าตว์แล้วก็ใส่หมายบากฆ่าแล้วก็เอาฆ่าอาข้าวหน้ากบให้เห็นนะครับนี่ชาวบานกบให้เองไม่เป็นไรและพี่สุไม่ได้เอาข้าวกบกับข้าวไว้นะครับเพราะไม่ได้ต้องการจะได้กลับข้าวมากขึ้นไม่เป็นไร เขาเทใส่นั่นก็มันไปกบปิดเองใช่ไหมมีปัญหานะครับสําหรับพิสูจเหล่านั้นไม่ต้องอาบัต น, นะครับส่วนพิสูจนไข้ต้องอาบัตเหมือนกันเพราะไม่ได้มาในอนาบัตแหล่นะครับไม่ใช่ว่าผมป่วยผมสามารถกบกับข้าวเพื่อหยาแน่าแกงมากๆได้ไม่ไน่าหาครับมันไม่ได้เกี่ยวนะป่วยนะครับห้าสิบนะครับสามสิบเจ็ดนะครั บ, <c oughs> รบอธิบาย โอ้ยบ้านี่อ น, นาบันน <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ครับนี้ก็ไม่สมัยนครับสมัยข้าศัย์บอกว่าในสมัยใดพระราชาทั้งหลาย <c oughs> สัง่งราชบุตให้ตีกรองประกาศว่าผู้รัสะดร อ, อย่าได้ฆ่าสัตว์นะสมัยนี้ชื่อว่าสมัยห้ามฆ่าสัตว์ะครับไ ป, รปครับ อต่อไปข้ 3, อามสเจ็อธิบายสูงโปเทนาวิงยาสิกาบนในสิกามที่ส1บ็ดคำนี้ว่าไม่เป็นอานบันแตแก่พิสูจผู้ขอมาแต่ญาหรือคนปรมานาได้อยู่แล้วขอไม่เป็นคนา่ายของแกนักฆ่าศึกใช่ไหมขอญายากัวน้ำมีปัญหานะครับขอเพื่อประโยชน์แกพิสูจนอื่นหมายถึงขอในญ า, าและคนปรมาณนาของพิสูุนนั้นเพื่อพิสูจน์นั้นแหละหน้านะครับหน้ามาด้วยซักองค์ตนก็เหมือนเดิมนะครับเป็นข้อเพิ่มมาในอานาบัต โอ้ทมนอจั ง, งอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะขึ้นออกปากขอแก๊สเข้าสุกไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยมัไนไม่ได้ถ้าบอกว่าอันนี้เขาว่าแก๊สเข้าสุกในรวมเอาโพชนาทุกอย่างเลยนะที่แว้นจากโพชนาปนีนะครับที่เหลือทุกอย่างเลย ไม่ได้ครับต้องอาณาบัตรมาดูอานาบัตรนิดนึงนะคําว่าอานาบัตรมันก็ว่าไม่จงใจนี่นะครับไม่จงใจยังไงนะไม่ได้ตั้งใจขอแต่ขอไปแล้ว <c oughs> มันเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เผอสติข้อเข้ามาเตะอีกข้อหนึ่งเนี่ยถ้านอธิบายไว้นะครั บ, บ, รบว่าเป็นยังไงในคําว่าไม่จงใจเผลอสตินี้นะครับ ในสิขาบทว่าด้วยการออกปากขอแกรงรวมถึงกับข้าวและข้าวสุกท่านกล่าวาในคันทีบททั้งสามว่าพิสูดใส่อาหารเข้าปากแล้วเนีย่ยใส่เข้าปากแล้วนะต่อมาเป็นผู้เดือดร้อนใจนะครับเมื่อของนั้นเข้าไปโดยความไม่ชอบใจแกเธอผู้ประสงค์จะทิ้งท่านเรียกว่าไม่จงใจนะครับตอนแรกอาจจะขอปแปลนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นธรรมตอนที่ฉันใช่ไหมครับ ไปนับแต่ตอนของก็โดนแล้วนะโดนข้อบิน ญ, ญาติที่หนึ่งนะครับทนี่โดนเสียขีวะนี่เพื่อเพื่อตอนมาฉันนะตอนฉันแล้วโดนเสียขีวะอันนี้เนะท่านก็ใส่ปานเข้าไปแล้วนะแต่ก็เดือดร้อนใจไม่อยากจะฉันเลยทิ้งแล้วนะครับอือันนี้นท่านเรียกว่าไม่จงใจนะครับของที่ออกปากขอหรือไม่ได้ออกปากขอวาอยู่ในที่อย่างใดแห่งหนึ่งเมื่อปิสุกหยิบออกมาฉันโดยพลันเรียเ่ยวเผยสติ อ๋เอเลอยิบผิดนะครับอันนี้ขอเข้ามา น, นี่ไม่ได้ขอนะตั้งใจยหยิบที่ไม่ได้ขอใช่ไหมแต่เผลอไปหยิบโดนที่ขอนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรว่าฝ่อสตินะครับอนนต่อไปนะครับในเรื่องการขอนะครับาบอกว่าท่านอาจารย์กล่าวหมายอาสุขาบทว่าด้วยการออกปากขอแกงรวมถึงกับข้าและข้าสุกด้วยคํานี้ไม่มีคําที่จะต้องกล่าวถึง ถ้าอาจารย์แสดงว่าเนื้อความทั้งหมดนักศึกษาย่อมรู้ได้ตามภาพบาลีนั่นแหละนะครับในคำว่าโดยไม่จงใจเป็นต้นในพระบาลีนั้นมีวิิจชัยดังนี้เมื่อพิสูจน์ต้องอาบัติอยู่นั่นเองนะครับเพราะรู้เพียงวัตถุแล้วฉันนะก็รู้วัตถุนะครับว่าอะไรละ่ะเป็นแกงและข้าสุกใช่ไหมนะครับต่อมารู้พัญ ญ, ญัติตอนแรกท่านยังไม่รู้พระบัญญัตินะว่าเป็นอาบัติไม่จงใจต้องเมิดใช่ไหม แต่รู้ว่าเนี่ยเป็นการขอแก่และข้าสุขกจะไม่รู้ว่าเป็นอาบัติท่านเลยทําไปเพราะไม่จงใจลุกน้หมอใช่ไหมนะครับต่อมาถ้ามารุภงพรบัญญัติเข้านะครับหรือมาเข้าป่ามาแล้วนี่นะแล้วประสงค์จะคายของที่อยู่ในป่าทิ้งนะครับสิ่งใดเข้าไปโดยความไม่ชอบใจมันเข้าไปแล้วท่านไม่ชอบใจการทิ้งแล้วนะครับสิ่งนั้นชื่อว่าเข้าไปโดยไม่จงใจไม่เป็นอาบัต น, นะครับนี่นะครับหมายถึงอย่างนี้นะในเพราะไม่จงใจนั้นนะครับ นหนึ่งสิ่งนั้นนั่นแหละท่านเรียกว่าเพลสตินะครับเพราะถึงเรื่องอื่นนะหรือเพราะฉันด้วยสำคัญว่าสิ่งนี้เป็นของที่ไม่ได้ออกปากขอมานะครับถ้าจะนึกใส่ใจเรื่องอื่นโอ้ยคืนไปหลายคำแล้ว <c oughs> อ้ยไปอาหารที่ขอมาเนี่ยม่เข้าปากถ้าใส่ไหลายคำแล้วอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับคำว่าขอเพื่อผู้อื่นนะที่นี่นะ หาทียังไงน้าบอกว่าอาจจะความนะครับเในเพราะการออกปากขอเพื่อประโยชน์ตนและฉันเองทีเดียวนะครับแต่เพึงเข้าใจว่าพิสุเมื่อขอในที่ไม่ใช่ญาติหรือปรวรณาเพื่อประโยชน์แก่สัตมิททั้งห้าในขณะแห่งการขอก็ไม่พ้นจากทุกกฎเพราะการขอหนินะครับแต่ทุกกฎเพราะว่าวิญญาณ น, นะขอคนไม่ใช่ยาติไม่ใช่ปรวรณาก็ไม่ได้นะครับอ๋อข้อนี้เขาบอกว่าขอเพื่อพิสุอื่นนะได้ ถึงมันใช่ญาิไม่ใช่โบรณาณแต่ เ, เพื่อวสิอื่นได้นะครับแต่ว่าอตอนขอนะมันก็เป็นอาบัติอยู่ดีนะครับไม่พ้นเพราะมันก็ต้องขอกับญาติโบราเข้าเพื่อเข้านะถึงจะนั้นนะครับในขณะแห่งการขอนะครับที่พระอริยเจ้ามันกระทํานะครับซึ่งท่านการมาแล้วโดยสุตตานุโมหาประเทศนะครับอัตกะถาทาั้งหลายในขณะที่แกล้งฉันตนเองและวิสุละอื่นก็ไม่พ้นจากมิจฉาชีนะครับ ไปขอพู้วิสื่นมานะไปขอก็ต้องทุกข์กดพ่อวิงยั่นนะครับแล้วก็มาฉันนะทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนฉันนะครับก็ไม่พ้นจากมิจฉาทิฐิ <c oughs> ถึงว่าจะไม่ต้องข้อนี้ใช่ไหมแลาวขอผู้ผู้อื่นใช่ไหมครับแต่ก็ไม่พ้นมิจฉาทิฐิอาไชีววิบัตนะ่อไปนะครับกำมานุนกลางขาข้อ38อธิบายอุชานะสัญญีศิขะบท ในสิกรรมที่สิบสองการจงใจโจดจะโจดจัจจจ น, นะครับชื่อว่าอุชานสัญญีจงใจตั้งใจะจะยกโทษนั้นะจะโจดเขานะครับอุชานสัญญาครับนะความจงใจที่จะยกโทษนั้นของพิสุนั้นมีอยู่เห็นนั้นพิสุนั้นชื่อว่าอุชานสัญญีนะครับ <c oughs> ถึงในสิกขาบทนี้พิสุปเป็นใข่ก็ไม่พ้นจะอาบัตนะิไม่พ้นนะ ถ้าผมปวยผมสามารถแพ่งโทษได้นะอย่างนี้ไม่มีนะครับไม่มีมีทานั้นนะไม่ได้นะครับแต่สําหรับพิสุผู้มองดูด้วยตั้งใจว่าจะให้อาหารหรือให้พู้่นให้ใช่ไหมอันนี้ปัจจานาดีจะแบ่งอาหารให้นะครับะเพราะเห็นว่าได้อาหารน้อยเป็นต้นและพิสุผู้มีเจรนาจะยกโทษไม่ต้องอาบัต น, นะครับต่อไปเนะะื้อสาสิก้าอธิบายกับพระลักษมณ์ขาบด ในสิ่งคาที่13คําว่าไม่ใหญ่เกินไปคือคําข้าวขนาดไขนกยุงใหญ่เกินไปนะครับขนาดไขไก่ก็เล็กเกินไปนะคําข้าวมีประมาณขนาดกลางนะครับระหว่างฟองไข่นกยุงและไข่ไก่นั้นชื่อว่าคําข้าวไม่ใหญ่เกินไปอาจจะเป็นไข่เป็ด น, นะครับอย่างนี้นะและไม่เป็นอาบัดเพราะฉันของเคี้ยวทุกชนิด มีรากไม้เป็นต้นและผลไม้น้อยใหญ่นะครับไม่เป็นไหนนะครับไข่หงแล้วก็เป็นอะไรนะแป้งคนเคีย้ยวนะครับต่อไปอัถามสี่สิบอธิบายอาราอกา ส, สขาบทในสิกษาบทที่จุดสี่คำ ว, ว่ากลมกล่องคือม่ยานะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องกลมหลิ่งอะไรเงั้ยนะหมายถึงว่าไม่ยาไ น, นะครับในสิกษาบทนี้ไม่เป็นอาบัตพ่อแก่นะครับไอที่สลัดผัก น, นะ สลัดผั้งไม่เป็นไรนะครับถึงมันมันไม่กลมอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ข้าวหันมาเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วก็มันเป็นขึ้นมาใช่ไหมมันมันก็ไม่มันมัมมนจะไม่ได้แน่พอดีนะครับมันจะเป็นหยกัยกๆเป็นอะไรขึ้นมานะอย่างนี้ไเป็นไรพร้อมแล้วของเคี้ยวนะครับแล้ผลไม้น้อยใหญ่ทั้งหลายอันนี้ได้นะครับว่าส ม, มุดเวลาะะไม่ขึ้นต่อไปนั่นน ะ, ะ <c oughs> มีอะไรคพิ่มเติมหือเปล่าอะไรนี้ เขาบอกว่านันนี้มีคำเพิ่มเติมเขาบอกว่ามีความตั้งใจในการยกโทษหมายเขาว่าอาจใจตอนแรกก่อนที่จะมองนะมีจิตมุ่งจะตาําหนิเกิดก่อนนะครับมุ่งจะตําหนิจ้องก่อนนะแล้วมองดูบาของพิสูจอือ่นจึงตอนน้องอานบัตแต่ถ้ามองดูก่อนแล้วตอนแรกไม่ได้ตั้งใจยกโทษหรอใช่ไหมพอมองอหัวสุนทรพาวิเนบานั้นเต็มเลย <c oughs> ไม่เหลือมาถึิงล่างเลยนี้นะ นะครแต่ตอนแรกตั้งใจดีนะครับเนี่ยแต่ตอนหลังมาเจอหูนนเนี่ยคนดีอะไรเยอะอะไรนะครับเกิดยกทอด้็มาภายหลังนะ <c oughs> นี่ก็ไม่ไป็นองค์ในสิทธิ์ฐานบทนี้นะครับก็ไม่เข้าข้อนี้นะครับเพราะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจก่อนนี่นะต่อไปนะครับอันนี้ไข่ไก่ไข่นุ่องอยู่นี้ว่าอะนะครับทุบบารก็มีปสญหานะครับเอาปากของเราคนเกณนะนะพบมาคนดีนะครับ คำข้าวไม่ยาวเกินไปนะตรงนี้อ่ะทำไมท่านอธิบายว่าเอากลมไปเลยเขาไม่อธิบายนะปริมรานโลคกลมกล่องพอดีนะครับอันนี้ก็แฝงอย่างนี้นะ <c oughs> หมายว่าไม่ทําคําข้างให้ยาวนะครับในอาณาบัติก็มีพูดถึงไม่จงใจใช่ไหมไหเบลัยเผลอไม่รู้นะครับอาพาธป่วยได้นะครับ ชั้นของเคี้ยวชั้นผลไมต้ต่างๆได้เหมือนเดิมนะของเคี้ยวถึงจะยาวนะครับพลไม้ก็อยหนึ่งต่างผักเนี่ยนะผักอะไรเนะี่ยทุกฝังยาใช่ไหมยาวไปเลยได้นะครับใส่ลยไปเลยอะไรนะะชั้นกับข้าวแบบแค่ยำยำยอดผักเหมือนสลับผักนะครับเมียนตรายวิกคราสิตต้นมันยังไม่ต้องอาบนบัตรแรงก็ได้ถมีอะไรที่เสร็จงานจบนะครับ ผมว่ามันจะได้คสองว่างกว่าโอ้แต่ก็เยอะนะันละสองั่างครับเงินเยอะนะเยอะนะครับท <c oughs> ั้งยี่สิบข้อใช่ั้มมันจะธรรมดานะครับย่ยอมอยู่ถึงว่าสุดท้ายนะ<ง> <c oughs> ยังเพแรกนะ